สู่ที่หนึ่งเพียงเพื่อได้เห็นเขาได้ฟังเสียงเขาให้เขาได้ปลอบประโลมใจเมื่อท่านเศร้าให้เขาได้ปลอยชื่นชมเมื่อท่านสุขมาดาได้เคยหลั่งน้ําตาที่ละคนด้วยปิติสุขเพราะความดีของลูกบิดาเคยทิ้งขวดสุราและกิริยาเสเพพอระลึกถึงคุณความดีของลูกแล้วยิ้มให้กับโลกอย่างอ่อนหวาน